เรียนให้มันจบทั้งสามปีดกเรื่องแั่นั้นมีพรุที่มาที่นี่จะสอนกันนะนัทไม่ใช่สอนพูดให้ฝักทําความรู้สึกตัวและทําความคูดตัวทําความรู้สึกใจและทําความตื่นใจทําเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันหลงตัวเองไม่ให้มันลืมตัวเองและไม่ให้มันหลงผมคิดตัวเองไม่ให้มันลืมผมคิดตัวเอง ถ้าหากไม่หลงคุณคิดไม่ลืมคุณคิดไม่หลงตัวไม่ลืมตัวเราจะได้ประโยชน์อะไรมันจะได้อะไรมันก็ได้ความไม่มีพุกข์่ันเองคนถ้าพูดกันตามภาษาบ้านหลวงพ่อเลยว่าไม่มีความต่อสู้ไม่มีความต่อสู้ไม่มีความผักดันันพูดตามภาษาธารมนี่อ่ะไม่มีควมต้านทานด้ยไม่มีควมต้านทานทั้งหมามต่อต้อตานความต่อตา้าน คือไม่มีคนต่อต้านกับโลกเมื่อไม่มีคนต่อต้านกับโลกแล้วโลกก็เข้าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่มีคมต่อต้านกับความคิดแล้วความคิดมันจะพาเราไปมันจะคิดเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาแต่ความคิดนั้นมีจริงไหมมีจริงไหมไม่มีมีแต่ไม่มีตัวไม่มีตนนะไม่ใช่เป็นตัวเรานะตัวคนนี่น้ําหนักทั้งหลายกิโลถ้าคนใดไม่มีปัญญานะ มันก็ยกไปได้ยกคนไปได้แต่มันได้มันได้ยกไปเหมือนกับลมเอาคนไปมันไปตามควมคิดแต่ว่ายกตัวไปควมคิดประเภทนั้นเนี่ยมันกัดกินคนอัดกินจนหมดความเป็นคนเมื่อความเป็นคนหมดแล้วมันก็เป็นสีไปแล้วดังนั้นที่พูดให้โนดให้มีความคิดหรือมีคนมต่อต้านหรือมีผวมต้านทานให้มีความมั่นคงกับตัวเองได้ นี่แหละปัญหาที่จะแก้ทุกได้คุณเรียนหนังสือจบอะไนผมจบปริญกาตรีปริญญาครีเรียนเพื่ออะไรเรียนในตอนต้นเรามุ่งหวังเพื่อจะมีงานมีการทไม่มีมานมการทำเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเรียนเพื่อมีความเงินคุณรู้เดี๋ยวจะไปใฟ้ทาไมคุณรู้ไหด้คิดว่าจะใช้หาเงินหาเงินเพื่อ เรียกตัวเองหาเงินเพื่อไปเรียนเพือที่ป้าเรียงนะเพื่อเลียงเลียงพี่นะเลี้ยงอี่เออนี่กรมเห็นนะแมงก์กรมชิงแล้วเรียนหนังสือมากๆก็เพื่อต้องการจะมาสู้กับกรมทุกเห็นไหมถ้าเรามีเงินแล้วก็ขอทุกเร า, มาไม่ทุกถ้าไม่มีเงินกะทุกเข้ามาทุกประเทศนี้ก็เนื่องจากรวมขยันกรมเก็บฐานเห็นไหมแล้วกรมทุกประเภทศที่ว่า มีคมรูดจบปริยามาแล้วคนยังเป็นทุกข์ก็มีนะบางคนก็ก็ไม่รูดจับปมต้านฐานผมคิดนี้เองบางคนคิดเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจก็ก็ไม่มีปมต้านฐานกับผมคิดแบบนั้นถ้าเรามีแนวคมคิดเออคมคิดมันมาจากที่ไหนมันไม่ใช่เป็นตัวคนเนี่ยผมคิดมันเป็นมายาของขจิตใจเดี๋ยมคําว่าทุกข์บ้างเดี๋ยมคำว่าสุขบ้างทุกสุขไม่ใช่เป็นคนมันพูดมันเองใช่ไหม มันมันพูดว่ามันสุกเองนะเดี๋ยวก็มันสุกเองเนี่ยมันพูดเอาเองมัาแต่ตัวจริงทนี่มันไม่ได้ถกไม่ได้สุกอะไรมันแสดงมันละย่ากิริยาของมั น, นเนะั้เราจรึงพยายามาที่นี้เนี่จะมีความรู้ได้ปริยญาปรัชไม่มีความรู้ปริญญาปรัชญาคนที่เรียนใส้ธรรมะเช่นนะักทำตีโทโอเอกจนเป็นมหานะปรี่ยา ก็เพื่อจะเอามาแก้ปัญหาความทุกนี้เองเรียนหนังสือได้ปริญญาไมา่พอที่เอามาทําการทํางานเพื่อได้เงินมาต่อต้านความทุกประเทศนี้ที่เองแล้วบัดนี้คนมีเงินมากๆก็มันยังทุกได้มีคนรวยมากมบางคนยังทุกได้เพราะเราไม่รู้จักวิธีต่อสู้กับกฎระเบียบยกความทุกแบบนี้มีเงินร้อยล้านถ่นออกมก็ไม่งอหายทั้งหมดเลยเรียนหนังสือจบปริญญา ตีโธเอกมากมันก็ไม่เคยงอมันไม่เคยกโวใครทั้งหมดเรียนธรรมะหลักสูตรนักธรรมชั้นตีโธเอกจนได้เป็นมหาปอเญญามันก็ไม่เคยกลัวไม่เคยงอใครทั้งหมดเคยโกรธเป็นเป็นจริงหนระโกรธเป็นไ้มโกรธเป็นไหมไม่นนเนาะไงในปรยญดาตรีเรื่องบางอย่ายังไม่เคยกลนะันนี่ตัวนี้นี่พอใจคนก็มีบ้างไหมชอบคนนั้นคนนี้มั้ยชีนี่ มันไม่เคยกลัวโราประเภทนี้แหลยคือว่าชอบเปียกแต่มันไม่เคยกลัวเลยลเรียนเรียนหนังสือบังมาปก็ยังเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นอย่างไงเคอยโคลนคนบ้างไหมโกอื์ช อ, อบคนบ้างไหมชอบเนี่ยมันไม่เคยกลัวลรคประเภทนี้มีเงินจากร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ละมันก็ไม่เคยกลัวเลยนี่แหละเราไม่มีความต่อต้านหรือเราไม่มีความสามารถจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้สิ่งอื่นๆนั้นมันเป็นความทุกข์เตัวนี้ปรุง ข, ขึ้นมา ทางธรรมะเอาล่ะสังขารตรงแตกเราจะให้มันมาครุงจะให้มันมาปุ ง, าาปงเราได้จะื่อปรุงให้มันน้อยที่สุดอย่างนั้นจิ ว, ว่าให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวแล้วจะเป็นยังไงมันจะควมไม่รู้นั่นมันจะเข้ามาไม่ได้ถ้าเรามีความไม่รู้อยู่แล้วความรู้มันก็มีมาไม่ได้ถ้าเรามีความรู้อยู่แล้วความไม่รู้ก็มีมาไม่ได้มันตรงมันข้ามอยูอย่เหมือนขาวกับดำมืดกับสว่างนั่นเอง จะนั่งการทําบุญก็ตา่างารรัษาศีลก็ตา่าไปทํากรรมฐานภาวนาบทใดก็ตา่ามีความหมายหรือจุดสําคัญคือให้เรามีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจรู้แล้วมันจะได้อะไรความโทษที่มันทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยมันจะลดน้อยไปหรือความพอใจเนี่ย มันจะลดหน่อยเพระเรารู้สึกเลยคนรู้สึกคนนั้นมายุเรายกย่องเราก็ราะเราก็จะไม่ดีใจคนนั้นมาตําหนิเราเราก็จะไม่ได้เสียใจเพราะคาพูดมันเป็นเพียงมายาของคนตรงนีน้มันไม่ได้ดีเพราะคาพูดของคนนะคนนั้นว่าหนูดีดีได้ไหมดีได้ดีเองนะเออนั่นแหละดีเเข้าใจไหมเ้าใจค่ะเออเราดีเองเรา ด, ดีแล้ว คนอื่นน่าจะมีว่าช่วเนี่ยเราชั่วได้ไหมไม่ได้เออนั่นน่ยมันเป็นเพียงสมมุติอยูว่าเรื่องนี้เราเรามีปูมต่อต้านแข็งแรงถ้าหากคนใดมาศึกษาทำความรู้สึกษาและทําความตื่นตอันนี้อันนี้แหละเป็นจุดหมายปลายทางที่จะมาให้ความทุกข์ความเดือดร้อนความเศร้าโศก ค, ความซึมซาหรือซึมเศร้าเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา เมื่อเราไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความซึมซาหรือซึมเศร้ามีแต่ความกล้าหาญความแข็งแรงอยู่ในใจนั่นก็เลยเป็นคนเข้มแข็งความซั่วซ่าอนั้นจะมากินเราไม่ได้เพราะเราเอาชนะมันทุกครั้งเหมือนกับนักมวยหลวงพอเคยเปรียบนักมวยนักมวยไปเรียนกับครูเนี่ยจะถือว่าตัวเก่งไหมไม่เก่งนักมวยที่ไม่ต้องเรียนกับครูแต่ขึ้นซุปเวทีเรื่อยๆ คำวเเ่เรื่อยๆเข้าใจกเรื่อยๆมาทันทีซกบ่อยๆเออนั่นไะเมื่อมีงานต่อสู้ที่ไหนเราไปสมัครซกทันทีแท่นนมันเป็นเกณกีฬานอแล้วก็ต้องซกบ่อยๆเดียวกับตำนานขึ้นคนไปเรียนมาแล้วบ่นเรียนจากปู่มแต่ไม่เคยขึ้นเวทีไปซกกับคนที่ไม่เคยเรียนเนี่ยหลวงพ่ อ, ขอเขาชั่วจะซกนะเขาไม่ชนะเพราะคนนั้นมันพิษบ่อยๆเนี่หลวงพ่อเคยถามเลย คนหนึ่งเรียนเครื่องยนต์เนือเครื่องยนต์นี่หรวกพ่ไม่รู้เรียนวีซ่าเครื่องยนต์รู้ไหมรู้รู้รวีซ่าเครื่องยนต์ไหมแก่เครื่องยนต์เทคนิคหืออะไรหลวงพ่สร้างคนสรางคนเรียคนนั้นไปเรียนจบสร้างคนมาสอบไล่ได้ใบประกาศนยาายียบัตรเลียกคนนึงอ่ะไม่ต้องเรียนเลยเข้าไปเป็นแอดรถเขาติดรถไปเรื่อยๆไป เ, ยเรยแล้วสองคนเนี่ยถ้าว่าไปเสียในระหว่างทาง แล้วให้สองคนในไปแก้คนไหนจะแก้ได้ดีคนไหนคนที่เปน็นซนักมากกว่าคนนั่นแหละคนนั่นแหละจะแก้ได้ดียังว่าพวกเรารกเคนเดียวถึงเข้าวัดก็าตามไม่เข้าวัดก็ตามเข้ามาวัดนี่หมายถึงเราจะมาศาึกษาดรงนี้อันบุญนี่คืออันนี้เนี่ยบุญคือความทุกประเภทนั้นเกิดขึ้นไม่ได้อันนั้นแบบบุญแท้ถ้หาหากว่าเราเข้าวัดยําศีลแล้วก็มีการให้ทาน มีการไปทำกรรมาฐานอันใดก็ตามเนี่ยไปนั่งสักงบอยู่ยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองยังต่อสู้กับประเภทนี้ไม่ได้ก็อันนั้นขอได้ประโยชน์น้อยที่สุดไม่สมกับความเป็นคนยังต้อความเป็นคนเนี่ยมันซื่อสารดีที่สุดแล้วคนได้หมายถึงศูนย์กางนะจให้มันดีนะศูนย์กางทางสี่แยกเราจะไปแยกไหนก็ได้ สมมติตัวเราเองนั่งอยู่ที่นี่อันนี้เบื้องขวาดึงดึงซ้ายอันนี้ทางหน้านดึงทางหลงังเราอยู่ตรงกลางมันจะกดปิดกดเมื่อเรามาข้างนี้มันก็นไปข้างนี้หมดเมื่อเรามาข้างซ้ายก็ไปข้างซ้ายหมดไปทางหน้าก็ไปทางหน้านหมดไปทางหลังก็ไปทางหลังหมดเจ้าความคิดมันคิดปุ๊บขึ้นมาเราจะเข้าไปโดยความคิดคิดเป็นเรื่องไปไปหมดเลยวันนี้เรามีคูามต้านทานมันวันนี้เอาสมมติเบื้องขวาดึงไปไม่ต้องไปเบื้องซ้ายดึงไปไม่ต้องไป ทาหน้าดึงไปไม่ต้องไปดึงทางหลังไปไม่ต้องไปอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยความคิดมันงคิดมาปุ๊บเราต้องรู้มันความคิดมันจะสูญไปเลยไปเลยทันทีมันจะไม่ได้ปรุงกันเลยเราก็ไม่ได้พุ่ต่อควาคิดประเภทนันวันนี้มันจะคิดเรื่องหน้าขึ้นมาเราไปเห็นมันมันก็สู้เราไม่ได้อันนี้แหละถ้าว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้ประเด็นคิดปุ๊บเข้าไปมันกินเราเนี่ยมันกินความเป็นคนให้หมดไป จึงควรเป็นคนมนุษ่มก็เป็นคนไม่ได้มันจะเป็นสัตว์ยุราศาสตร์บ้า bride, เป็นเตศบ้าเป็นอวุธกายบ้างเป็นสัตว์นรลลกบ้างหมดคนเป็นคนนะครับ ว, วันนี้อันนี้แปลไปข้างซัายวันนี้มาข้างดีงนะว่าควมเป็นคนพอดีมันคิดทั้งไม่ดีพวกตัดทิ้งเลยคิดทั้งดีก็าตามตัดทิ้งเลยเราเป็นตัวของเราตัวตนของเราเป็นตัวตนของเรา เป็นเทพึงได้จิตอันนี้ก็หมดจากควเป็นคนเลื่อนสั้นขึ้นมาเป็นมนุษย์แปลว่ามนุษย์แปรผู้หักห้ามจิตใจได้หัก้ามจิตใจได้เพราะว่าจิตใจประเภทนั้นมันมาดึงเราไปไม่แปตกออกมาห้ามได้เนี่ยเขาแปว่ามนุษย์แปรผู้ใจสูงคือมันสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นวันนี้เลื่อนสั้นจะความเป็นคนหมดแล้วเนี่เป็นมนุษย์แล้วเลื่อนสั้นขึ้นไปความเป็นเทวดา รวมเป็นเทวดากับละอาตัวคมคิดประเภทำนะรวมคิดประเภทนี้มันคิดว่้ละอายมากจริงจิคิดมาไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยมาส่วนที่เราไปเรื่องพวกเรื่องตันขึ้นไปเป็นเทวดาได้แล้ววัน น, นี้วันนี้คนคิดขึ้นมาปุ๊บอ๋อหน้าสงเพศหน้าสงสารไม่มีเรื่องเนี่ยมาหาเราไม่มีเรื่องมาบ่อยๆไม่มีเได้ไม่ใช่เป็นตัวบคุคคลนะที่ เ, เราพกตู้นี่เป็นตัวจิตใจมันคิดบ่อยๆนะ่ <Okay. S 2> ไม่มีเรื่องไงแล้วเออแล้วไปไปต่อไ น, นี่เขาเรียกปดเป็นผมเป็นพระอินทร์พระพรมได้เนี่ยวันนี้เลื่อนทั้นจากขั้นขึ้นไปวันนี้ถ้าแต่เขาปฏิเสธแล้ววันนี้ปฏิเสธมากแล้วคือไม่ได้ติดตามผมคิดระเกียงใส่ไม่ติดตามมันไปเลยดีก็าตามชั่วกว็าตามถึงมันมันคิดไปว่าจะไปปลุกบ้านปลุกเรือนบนสวรรค์แล้วเขาไม่ต้องไปก็ได้เพราะเรารู้แล้วนี่สวรรค์เขอยู่ทิ่นี้ นรกก็อยู่ที่นี่ทิพพานก็อยู่ที่นี่เองดังนั้นเรอมมาวัดยังมาที่นี่ก็ตามไปที่ไหนก็ตามเราต้องพยายามต่อสู้กับสิ่งนี้ที่เองถ้าเราไปที่ไหนก็ตามมาที่นี่ก็ตามเรายังไม่รู้กฎหมายต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ได้ประโยชน์น้อยที่สุดแม้จะไปพบครูบาอาจารย์องค์ดี่ก็ตามถ้าต่อสู้กับประเภทนี้ไม่ได้ก็ซื้อว่าครูบาอาจารย์นะครับ ยังส่วยเราไม่ได้แต่ท่านนั้นดีแล้วแต่เราสิมันไม่ดีอย่างนั่งคําสอนปากเทศมีใครจะพูดอย่างไงวะโยมพ่อรู้เรื่องนี้มายี่สิกีกว่าปีแล้สอนของพระพเจ้าทั้งหมดเลยบรรจุลงที่นี้เองดังนั้นที่เรามาที่ไหนก็ตามทําบุญก็ตามรักษาศีลก็ตามทํากรรมาฐานก็ตามตราฐถนเอาสวรรค์เอานิพพานก็ตามราเร า, เ า, ากาลัว กลัวอะไรกลัวไปตก น, นกรกกลัวไม่มีเงินกลัวจะทุกข์เนี่ยเรากลัวไปแล้วกลัวทําไมเมื่อเราไม่กลัวแล้วก็เอาชนะมันได้สีเดียรที่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปกลัวเรื่อมีภูมิต้านทานหรือมีภูมแข็งแรงมั่นคงต่อตัวเองถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานเรามั่นคงฝังหลักตรงที่ตรงนี้เลยน่าจิตใจของคนเนี่ยวอกไวกลับออกได้จริงจริงนี่า ถ้าหักปล่อยมันไปแล้วมันจะพุ่งไปในทางดีคนทางชั่วคนเมื่อทางดีทางชั่วเข้ามามันไม่ใช่เป็นปกติแล้เดี๋ยวก็ดึงไปข้างล่าดึงไว้เราไม่ต้องไปทามันทั้งหมแต่ไม่ให้มันคิดไให้บางผลอ้าวคนคิดจะห้ามมันได้ทําไมมันก็ไหลเหมือนกับกระแสน้ำนั่นเองน้ามันไหลไปอ่ะมันไหลไปเราไม่ต้องไปทําเคลื่อนขั้นน้ําให้มันไหลไปตามกระแสของน้ํำเราก็เพียงดูน้ำแบบนี้มันไหลจะกระแลี้วไป น้ำข้างไงมันจะไหลบุน้นลงมาหลวงพ่อเคยเปียกเทียบให้ฟังลอกสุดบอ่อน้ำลงไปไปเจอเอาน้ำมันเย็นเลยเย็นและบ้านี่หละก้อมือเราไปลงควร น, นะน้ำมันเย็นแต่น้ำน่ากิดไม่ได้ควาคิดประเภทนี้ก็เหมือนกันเราต้องมีขันหรือมีอะไรตักตมตั ก, ตกเลนโปยออกโกอยออกทีนั่นนะโอยตม้มโอยเลนนีออกหมดเมื่อตมเลนออกไปหมดแล้วน้ำมันยังไม่สะอาดนะมันยังมีตมมีเลนีอะไร นลก็ปล่อยไว้น้ําข้างในมันจะไหลออกมไหลออกมาแล้วเอามือไปปรวนบปคุกในบอ่อ น, น, น้ำปรวนไอ้น้ำจะกบกดโวยทำคอกไปดักออกไปเข้าใจว่าน้ําในบอ่อ น, น, นั่นไม่ถึงสิบพันน้ําในบอ่อจะสะอาดขึ้นมาจริงจิเมื่อน้ําในบอ่อสะอาดแล้วกินก็มีรสดีเย็นดีแล้วก็ไม่ตกตะกบถ้ามีอะไรตกลงไปที่ในบอ่อนราเราจะเห็นได้กันคุ้มคิดแล้วก็เหมือนกัน ให้มันคิดไปมันจะคิดดีคิดชั่วเราไม่เคยรู้มันนานๆเราเคยต่อสู้มีพื้นฐานทางกับกรมชั่วร้ายหรือกรมดีเราสู่ทั้งสองทางเราเห็นมันดึงไปข้างซ้ายก็ไม่ไปดึงไปข้างตัวก็ไม่ไปมันดึงไปคิดไปข้างดีเราก็ไม่ไปคิดไปข้างชั่วก็ไม่ไปนะสี่พูดนี้เข้าใจก่นะเราอยู่ตรงกลางคอยดอูความคิดมันคิดพกเข่งไปคิดพวกเข่งพวงปลาพวกมจะมีขึ้นมาเองหลวงพ่อเดินตอนนั้นตอน เราก็เป็นโยมเดินกลับไปกลับมาลงก็ไม่เคยรู้ความคิดตัวเองเเกิดมาไม่เคยรู้รู้รู้คิดทำมาหากินทำนาทำสวนคิดปลูก บ, บ้านแปลงเงินคิดอยากมีครอบมีครัวคิดเป็นแต่ไม่รู้คนพูดให้ฟังมันก็ไม่รู้อันคิดกังไงเดินกลับไปกลับมามันคิดคล้ายๆคือมีคนมาผักตรงข้างนี่เออวี่มันเป็นอมองไม่เห็นคน มันคิดขึ้นมาครั้งที่สองหนูก่อเลยโอ้มันคิดโอ้ย้มันคิดตุวเอมันคิดครั้งที่สามหนูพ่อก็ะโลทำเหมือนแมวกับหนูเราคอยอยู่ปักโลบรรลุออกมากระจับบกเลยแมวหนูนุก็ตายเลยอันนี้ก็เหมือนกันมันคิดปุ๊บเราแล้วรู้ปัดทิ้งเลยนั่นก็มีแค่นั้นเองแล้วความคิดประเภทมันจะปัดไปปัดไปมาความเป็นคนก็หมดไปมันไม่ความเป็นคนเป็นศูนย์กลางนะแต่ว่าโซเล่บ้านหนูพ่อเดวยวโซเล่ มีดีมีชั่วเปลว่าโซเลคนเป็นคนพวกขันไม่รู้เร่องหรอป้าอ่าขันอยู่ที่ทิศขอนี่เองวันนี้เราให้เมื่อเจ้คนเป็นคนขึ้นมาเป็นมนุษย์ข้ามมาได้ขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมาเป็นพระเอ็นประครขึ้นมาเป็นผระเดียบบุคคลตัวเองเป็นโยมเข้าใจว่าเออเราเป็นพระได้ดังนั้นพวกคุนก็เป็นพระได้เช่นเดียวกันแต่อันนี้เป็นสมมุติเป็นสมมติระลึกต่อวันแล้วก็เคยไปบวชเคยเห็นคนบวชสวย เคยเห็นเยอะเคยเห็นเยอคุณเ ค, ณคยบวชไหมผมไม่ไมคยบวชยังไม่เคยบวชบวชแล้วก็สึกบวนแล้วก็สึกเคยเห็นไหมเห็นเนี่ยอันนี้เป็นสมมุติให้เราได้พูดจักวาสมมุ ต, แบบญญตมิแล้วก็บัญญัติขึ้นมาแล้วกับปรามาตยอันปรามาตยแปลว่ามันเป็นเองโดยธรรมชาติสมมุติบัญญัติปรมาตยอัฏฐะบัญญัติเปรียกบุคคลที่จะรู้ใจตัวเองอริยบัญญัติคือผู้ที่สมมุติให้เป็นอริยบุคคล ควรเป็นอนิยมบุคคลคือว่าอาริเแล i, ้ว yes, ค่าศึกค่าศึกกับตัวคนคิดยากเปล่าคนไปพ้นไปจากคนคิดปรุงแต่งไม่ได้เขาเรียกขันห้าพ้นไปจากคนไม่ใช่ขันห้าพ้นไปจากคนเป็นทุกข์ตายเป็นอะไไม่ใช่เน่ขันห้าพ้นไปจากคนเป็นทุกข์หมายถึงคนมีชีวิตอยู่นี้เองถ้าว่าเรามีชีวิตอยู่แล้วโดยควรไม่มีทุกข์ใจได้ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยควรเป็นทุกข์ใจไม่ได้ดังนั้นเนาะควมเป็นคน ให้มันเป็นคนจริงๆรู้จักความเป็นคนจริงๆถ้าเราไม่รู้คนเป็นคนเราเกิดมาเสียความเป็นคนโทกิเลสอัดจิ้นผักดันไปในทางชั่วทัานสอนไว้คนโมรมโมลานคนเท่าคนแ ก, นก่ทัานสอนน่จงทําดีจงทําดีให้ดีมีเกิดขึ้นให้ดีมีเกิดขึ้นเป็นทีคนใดพึงได้จริงๆบันนี้ทางธรรมะอุบ า, าจจะท่านสอนไว้ ตนเป็นที่พึ่งของตนมนตัวผู้ศรัทธามารดนะีตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งผีก็พึ่งไม่ได้พึ่งเทวดาก็พึ่งไม่ได้พึ่งพระอินทร์พระคมก็เอิงไม่ได้พึ่งพระอภิเจ้าคนอื่นนอกจากตัวเราไปก็พึ่งไม่ได้ยังนั้นจึงทําตนของตนให้เป็นพระขึ้น